ไตร่ตรองก่อนได้พูดมาถึงกิริยาที่ปฏิบัติให้ท่อถึงความเป็นพระโสดาปัตติผลแต่ในตอนนั้นรู้สึกว่าจะเป็นของพระโสดากับสัตตะขตุงมากกว่านี้เพราะไร้รู้ว่าเราใช้การพิจารณาอันดับแรกพิจารณาถึงความตายเป็นอารมณ์ การเล็กๆความตายนี้บรรดาถึงพุทธบริษัชต้องถือว่าเป็นศูนย์สําคัญที่เราจะต้องคิดเป็นปกติถ้าลงไม่คิดถึงความตายแล้วคนมันก็เลวที่เร็วเลวกันน่ะโดยมากไม่ได้คิดถึงความตายที่เขาได้ทําความชั่วกันได้ทุกอย่างขาดวิริยะและอุตส่าห์ อิริตด้วยกับความละอายความชั่วโอตตัปปะความเกรงกลัวผลของความชั่วจะทําความร้าวร้อนให้เกิดอิเลวกันมาได้ก็เพราะอาศัยคุณธรรมต้องสอนด้วยการนี้ไม่มีในจิตคนเราถ้าขาดนี้โตตัปปะก็เป็นอันว่าไม่ใช่มนุษย์เพราะว่ามนุษย์แปลว่ามีใจสูง ยิ่งเป็นภิสุทธิ์ถ้ามันเดินด้วยแล้วก็เหลวมากเป็นทีจะได้คําสอนแต่ละคราวทั้งตอนเย็นตอนเช้าตอนกลับซืนลงไว้ตอนดึกก็ตามมักจะตื่นกันอยู่เสมอว่าให้นึกถึงความตายเป็นอารมณ์จะได้ประกอบความดีนิยมสมเด็จพระญาณสีเองก็ได้ทรงตรัสแก่พระสารีบุตรพระอานนท์ ว่าอนันทะดูก่อนอนลเราเอ็งลึกเรื่องความตายทุกข์ลมหายใจเข้าออกนี่คนดีอย่างพระพุทธเจ้าซึ่งจอมอาชริยะรู้ว่าเป็นจอมเค้าสมณะทั้งหมดพระองค์ก็ยังกําหนดจิตจับความตายเป็นอารมณ์ไม่มีความประมาทในชีวิตเพราะอะไรเพราะว่าคนถ้านึกถึงความตายแล้วก็ต้องมีความรู้สึก <c oughs> <c oughs> ว่าถ้าเราจะอยู่ก็อยู่อย่างคนดีถ้าตายเป็นผีเราก็จะเป็นผีดีไอ้ถ้าไม่นึกถึงความตายมันก็ขาดอริยโวตตะปะถ้าอยู่อย่างคนก็เป็นคนเลวถ้าตายเป็นผีมันก็เป็นผีเลวคือเป็นผีในนรกเป็นผีประเภทเปรตเป็นผีประเภทอสุรกายนิพพาวะประเภทสัตว์เดรัจฉาน นี่ผลร้ายสําหรับคนที่ไม่เลิกถึงความตายและขาดวิริยะอุตตปะฉะนั้นขอท่านทั้งหลายเมื่อจะสร้างความดีก็จงทรงจิตไว้ในด้านวิริยะอุตตปะควบคุมกับความรู้สึกตัวว่าเราจะตายความจริงความตายมี 2 อย่างตายประเภทสิ้นลมพรานนั้นอย่างหนึ่ง ตายประเภทที่มีลมพรานและอย่างหนึ่งตัวอย่างเช่นว่านางสามาวดีกับหญิง 500 ถูกนางมาคคณิยาอิจฉาริษยาในที่สุดเชื่อจ้างให้นายชายให้อาเข้าไปเผาพระชายคนนางหญิง 500 ให้ตายพร้อมกันพระหญิงทั้ง 500 นั้นมีความไม่ประมาทในชีวิตให อารมณ์จิตเป็นพระโสดาบันอยู่แล้วจึงได้แนะนํากันว่าพวกเราทั้งหลายจงอย่าโกรธในพระนามะคันธียาจงอย่าโกรธในมะคันธียะมะคันธียะปราหมณ์ผู้เผาพระราชจงมีจิตคิดให้อภัยแก่คนทั้งสองเรื่องรัดรั่วพวงกําลังใจสร้างความดีให้สูงยิ่งขึ้นไป ในขณะไฟนี้เข้าใกล้จะมาส่วนจะเผาตายก็ปรากฏประมาณคนได้เป็นพระศีลธาคามีบางคนบรรลุถึงพระอนาคามีทั้งนี้เพราะได้ทราบรู้ความตายจะเข้ามาถึงในเดี๋ยวนี้ท่านทั้งหมดทั้งคนคน 500 คนไม่มีความประมาทในชีวิตรวบรวมกำลังจิตปรุงกัน 5 บริโภคเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา เราไม่มีในรูปเวทนาสัญญาสังขารนิยามในที่สุดมันจะต้องตายแล้วตายดีตายชั่วมันก็ตายการตายแบบนี้องค์สมเด็จพระชินสีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบเพราะพระสงฆ์ไปรายงานให้ฟังว่าหญิง 500 มีนางสามาวดีเป็นประธานก็ถูกไฟเผาตายองค์สมเด็จพระจอมไตรก็ทรงทราบ อาภิสสเวตุก่อนที่สงฆ์ทั้งหลายที่ 500 นั้นถึงว่าจะตายแล้วก็เหมือนกับคนที่ไม่ตายเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อมีชีวิตอยู่เค้าก็สร้างแต่ความดีเมื่อตายไปแล้วก็เป็นผีดีคือเป็นพระอริยเจ้าพระโสงฆ์เป็นพระสิกขทาคามีบ้างเป็นพระอนาคามีบ้าง เป็นอันว่าท่านที่เป็นสิกขิทาคามีเรื่องอบายภูมิไม่ต้องพูดกันถ้ากลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกชาติเดียวก็ไปนิพพานท่านที่เป็นอนาคามีตายไปเป็นเทวดาแล้วก็นิพพานหมดนั้นนี่องค์สมเด็จพระประพงศ์กล่าวว่าเขาคนนั้นยังไม่ตายคือว่าไม่ตายจากความดีมีความดีก้าวขึ้นสูงกว่าเมื่อมีชีวิตปกติ สำหรับพระนางมังคธมาคทิยาก็ถูกพระเจ้าอุทเธนบรมกษัตริย์สั่งประหารชีวิตพร้อมด้วยพวกญาติในฐานะที่เป็นจอมอิจฉาและทิฏฐิยาบุคคลอื่นวิชชาและทิฏฐิยาบรรณาสามวดีพร้อมด้วย 500 ที่เป็นบริวารจึงกระทั่งถึงความตาย ในที่สุดพระเจ้าเทนบรมกาษัตริย์บาทเข้าคือก็สั่งให้จับพรรณามอาคันตรีย์กับวรรดาญาติทั้งหลายโดยเฉพาะญาติทั้งหลายเหล่านั้นให้ขดทุ่มฝังลงไปคลึงตัวแล้วให้กว้างมาสมให้เลยหัวสั่งให้ควายจุดแล้วก็เอาช้างใช้ไถหนึกช้างเตรียมไถหนึกเดินไถพวกนั้นขาดกลางตัว แล้วขาดตายด้วยการทรมานอย่างยิ่งสําหรับตัวนางมาคันธินยาจอมอิจฉาสิ่งหยาเป็นอนาคตคนในด้านทําลายความดีของบุคคลอื่นพระเจ้าอินทร์บรมกษัตริย์สั่งบาดเท้าคือให้จับ 6 มือ 2 มือแขวนเท้าไว้ติดกับพื้นให้ภาพม้วนๆยัดใส่ปาก แล้วเชื่อดเนื้อที่ระคินเอามาทอดทํานันทอดสุกแล้วบังคับให้นางมาคัลลิยากินจนกว่าจะตายการตายแบบนี้องค์สมเด็จพระชินสีห์กล่าวว่าบางบางคัลลิยาในสมัยที่ยังไม่ตายเสมือนกับบุคคลผู้ตายแล้วคือมีแต่ความชั่วไม่มีความดีตายจากความเป็นสุขมีแต่ความร้าวรอน ในการที่จะบําเพ็ญตนให้เป็นพระโสดาบันเราก็ต้องนึกถึงความตายเป็นปกติถ้าพวกเราเป็นพระโสดาบันไม่ได้ก็รู้สึกว่าคือน่าสิดายอยู่ในสถานที่เช่นนี้รับฟังธรรมะกันทุกวันวันละหลายเวลาแต่ยังจะคบกับความชั่วคือขาดวิริยะเดาอุตตปะเข้ามาเป็นประจำ ตามที่เคยปฏิบัติสมณายกก่อนก็รู้สึกว่าจะเลวเกินไปสําหรับกายเกิดเป็นคนไม่ 2 คนก็เอาภาคของมนุษย์เข้ามาสวมกายเข้าใจกับประสิงของภาคปรดโดยเฉพาะอย่างที่ถ้าเป็นภิกษุสมณเณรก็ยิ่งเลวมากที่สุดเพราะว่าภิกษุสมณเณรจะต้องมีอธิศีลอธิสิกขาอธิจิตตสิฐาอธิปัญญาสิกขา จงพยายามวกโรงกําลังใจให้ทรงไว้เฉพาะความดีอย่าปล่อยให้ความเลวมันหลั่งไหลเข้ามาสู่ใจอีกเพราะความเลวไม่ให้ผลแห่งความเป็นสุขแก่บุคคลผู้บำเพ็ญปฏิบัติมีอย่างเดียวคือความทุกข์ความเร่าร้อนเช่นเดียวกับนามังขันธิยาจงอย่าคิดว่าจะมีใครทรมานในฐานะที่เราเป็นคนเลว ปัญหาไม่ได้โลกนี้ทั้งโลกไม่มีใครก็เมตตาปราณีคนเลวมีการลงโทษเราก็จงอย่าคิดว่าคนอื่นจะต้องมาลงโทษเราก่อนที่คนอื่นจะลงโทษกรรมที่เราทําความชั่วมันก็สร้างความร้อนรนให้เกิดขึ้นแก่เราในเมื่อใครก็พูดเรื่องความโชคอะไรเราก็สะดุ้งเพราะเรามันเลว เพราะฉะนั้นจึงกล่าวว่าอัตตนาโจทยัตตานังโจเตือนตนไว้เสมอคือจึงโจดตนกล่าวโทษตนไว้เป็นปกติหาความชั่วของตัวอย่าไปหาความชั่วของบุคคลอื่นถ้าเราเลวมากเท่าไหร่เราก็เพ่งเล็งความเลวของบุคคลอื่นมากเท่านั้นถ้าเราดีมากเท่าไหร่เราก็ไม่มองเห็นความเลวของบุคคลอื่นก็ยอมรับนับถือกฎของกรรม ที่เรายังไปแสหาความเลวของคนอื่นเสียดสีเขาบ้างพูดกระทบกระแทกเขาบ้างทําลายความสุขใจเขาบ้างนั่นแสดงว่าเรามันเลวถึงที่สุดของความเลวคือความเลวมันไม่ได้ขังอยู่เฉพาะในใจมันไหลทางกายไหลมาทางวาจามันล้นเลวจนล้นพี่ขอท่านทุกคนจงจําไว้แล้วก็พยายามนึกไว้เสมอ อย่าไปมองดูความเลวของคนอื่นมองดูความเลวของตนไม่ต้องไปปรับตรงคนอื่นเขาปรับตรงเราเราให้มันดีที่สุดมีจิตที่มันจะดีมันดีตรงไหนก็ดีที่ตรงว่านึกถึงความตายแล้วก็มีหิริโอตตัปปะอายความชั่วกลึงกลัวความชั่วความชั่วมันมีอะไรบ้างเราก็รู้กันอยู่แล้วเราต้องเป็นผู้มีศีล ถ้าทําลายความสุขของคนอื่นจะชื่อว่าเราเป็นผู้มีศีลได้ยังไงทําลายความดีของคนอื่นเราจะเป็นผู้มีศีลได้ยังไงกิจของเราที่จะทํานอกจากอาทิศีลในศีลแล้วก็ต้องเป็นอาทิจิตตศึกษาอาทิจิตตศึกษาคือส่งจิตให้อยู่ในได้ของความดีเรียกว่าฌานสัมมาบัติฌานสัมมาบัติที่ประวัติ เพ็งความดีอยู่ตลอดเวลามีพรหมวิหารเป 4 เป็นเครื่องประจําใจถ้าเราอายความชั่วเกรงกลัวผลของความชั่วก็ต้องใช้พรหมวิหารเพเป 4 เข้ามาประคับประคองอารมณ์ของจิตเมื่อเอาพรหมวิหาร 4 คือเมตตาในคนทั้งหลายและสัตว์ทั้งหมดกรุณามีความสงสารปรารถนาให้เพื่อนครูมีความ ผู้โตตามีจิตอ่อนโยนไม่อิจฉาในสิริาของคนอื่นไม่เห็นคนอื่นได้ดีก็คอยดีด้วยอุเบกขาวางเฉยเนมเมื่อกดของกรรมและกรรมสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่เกิดขึ้นมันสุดวิสัยที่จะพึงรับได้แล้วก็วางเฉยไม่ดิ้นรนคือไม่ซ้ำเติมแล้วบุคคลอื่นได้รับความทุกข์ <c oughs> นี่ถ้าอาการทั้ง 4 อย่างมีอยู่ในใจของเราความชั่วไม่เกิดขึ้นมาไม่ได้ที่เราต้องชั่วกันก็เพราะว่าขาดวิริโยตตปะขาดนึกถึงความตายขาดกรรมนิหาร 4 ถ้าขาดสิ่งทั้ง 3 ประการนี้สิ่งของเรามันก็ไม่มีเจ้าทรงพระเจด็จทรงพระเป็นนี้เจด็จทรงพระมาสุขุมารสังฆา ก็สรรค์ที่ว่าเพลิงคงมีเพศเท่านั้นอย่างนี้พระธรรมพระพุทธเจ้าถือว่าเถนะแปลว่าหัวขโมยคือเอาของขโมยของเพศสมณะมาใช้สํานักใจจริงๆนั่นเลยวิ่งกว่าสัตว์ฤาษีฉะนั้นเพราะสัตว์ถือว่าเป็นสัตว์ตัวแล้วมันจะรับโทษกันเขาก็เป็นสัตว์อยู่ในอบายภูมิ ถ้าคนเรามีน้ำใจไพรสัตว์ไม่ยอมรับรับถือความดีสิ่งใดๆมันก็เลวกว่าจะนี่ต้องประณามตนอย่างนี้การประณามตนนั้นต้องประณามให้หนักอย่าไปนามเบาอย่ามองในได้ความดีในแท้จิตของเราทรงอยู่ในภูมิมีหาญศีลแล้วมีอะไรบ้างที่มันจะมีขึ้นไม่เกิดขึ้นนั่นก็คือศีลบริสุทธิ์ไม่ต้องระมัดระวังศีล ความเป็นผู้มีเหตุมีผลมีความเคารพในองค์สมเด็จพระโทษสภพลก็มีความบริบูรณ์เพราะอะไรว่าคนที่ทรงศีลบริสุทธิ์แสดงว่ามีความเคารพในพระพุทธเจ้ามีความเคารพในพระธรรมมีความเคารพในพระสงฆ์เพราะว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทรงแนะนําให้จิตอยู่ในขอบเขตนี้เรามีความเคารพในองค์สมเด็จพระกิลาสีเป็นต้นเราจึงมีศีลบริสุทธิ์ เราจึงรู้จักความอายความชั่วเกรงกลัวความชั่วเราจึงได้มีการเป็นกอกความดีด้วยจิตทรงภมวิหาร 4 คนที่มีจิตทรงภมวิหาร 4 มีหิริโทตะปะนึกถึงความตายเป็นอารมณ์อยู่ที่ไหนก็ไม่มีแต่ความเยือกเย็นก็มีแต่ความเป็นสุขเราก็เป็นสุขคนอื่นก็เป็นสุขร่างกายไม่เสียปากไม่เสีย ทั้งนี้เพราะว่าใจไม่เสียแต่กายเสียปากเสียก็แสดงว่าใจมันเสียเสียมากจนถ้ามันล้นมาถึงกายมาถึงวาจาเป็นเป็นอนุวาทะทรงคุณธรรมอย่างนี้ได้ความเป็นพระโสดาบันของท่านก็ปรากฏทีนี้สําหรับวันนี้ขอดูเวลาก่อนว่าจะมีเวลาโพดไหมขอผู้ต่อไป หลักผู้กรรมฐานถึงพระโสดาบันมันประกอบไปด้วยองค์ 4 ประการคือ 1 มีความเคารพในพระพุทธเจ้า 2 มีความเคารพในพระธรรม 3 มีความเคารพในพระสงฆ์ 4 มีศีลบริสุทธิ์นี่เป็นองค์ของพระโสดาบันแต่องค์ทั้งหลายอย่างนี้จะเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะอาศัยมรณานุสติกรรมฐานไว้เบื้องต้นที่เราคิดว่าเราจะต้องตาย จงอย่าคิดไปถึง 2 วัน 3 วันตายจงคิดไว้เสมอว่าเราอาจจะต้องตายเดี๋ยวนี้และตายก็ต้องจงตายดีตายอย่างบรรดาศามาวดีพร้อมด้วย 500 จักเป็นคนดีล่มปลาญแต่ว่าวินตายจากความดีอย่างเหล่าของนางมาคันธียานี้สำหรับอนุสติที่พึงปฏิบัติในกาลเป็นปสโณนาบัน ข้อ 1 มรณานุสติกรรมฐานนึกถึงความตายเป็นอารมณ์ 2 พุทธานุสติกรรมฐานนึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ 3 ธัมมานุสติกรรมฐานนึกถึงความดีของพระธรรมเป็นอารมณ์ 4 สังฆานุสติกรรมฐานนึกถึงความดีของพระสงฆ์เป็นอารมณ์ 5 สีลานุสติกรรมฐานนึกถึงความดีของศีลเป็นอารมณ์ อกภูมิหาร 4 อย่างนี้ไปเรียกว่าอนุสติไคลครวนในภูมิหาร 4 จัดเป็นกรรมฐานครองเป็นอารมณ์แล้ว 7 อุปัสสมานุสติคิดถึงนิพพานเป็นอารมณ์ทั้งหมดนี้ไม่จําเป็นต้องนั่งภาวนาให้ใจใช้จิตควบคุมอยู่ตลอดวันทั้งเวลาลืมตาและหลับตา เห็นนักปฏิบัติที่ดีก็ใช่แบบนี้ไม่ใช่ว่าเวลาหลับตาทําท่าเป็นคนจะดีแต่พอลืมตาก็มาแลความอัปรีย์มันก็เกิดใจคิดอิจฉาอยากบุคคลอื่นกลั่นแกล้งบุคคลอื่นคิดว่าคนอื่นสมบัติได้บุคคลอื่นเป็นต้นอย่างนี้ไม่ใช่อะไรไม่ได้ตายแล้วไปอบายภูมิเพียงว่าแต่เป็นปรสูดาภันเลย กลับมาเป็นคนมันยังเป็นไม่ได้เข้าใจติดตามนี้อันนี้มาเราพูดกับมาลและด่าสุอดาบันแล้วขอตอบปรินิชชอารมณ์ของพระสิกิฐาคามีสําหรับพระสิกิฐาคามีและทําจิตให้ละเอียดลงไปกว่านั้นคือระงับโลภะความโลภ ระงับโทสะความโกรธระงับโลหะความหลงให้เบาบางลงยังไม่หมดคือความโลภยังมีอยู่แต่ว่าเคล่าลงไปความโกรธยังมีอยู่ยับยั้งได้พอเร็วความหลงยังมีอยู่มันก็มีการเคล่าตัวเป็นอนุวัฒน์ทางความโลภความโกรธความหลงมันบาง วางว่าพระโสดาบันท่านจะเรียกว่าสกิทาคามีสําหรับสังโยชน์พระองค์ก็มีความประพฤติเหมือนกันแต่จิตได้อีกกว่าคราวนี้เราก็จะระงับความโลภความโกรธความหลงได้ทีละตัวมันลําบากเราก็มายืนจุดศูนย์กลางจุดศูนย์กลางก็คือทรงธรรมวิหารคร 4 ครึ่งขัด มีความมั่นคงในพระมหันตสีมากขึ้นมีหิริละอตัปปะมากขึ้นนึกถึงความตายเห็นชัดมีอารมณ์ทรงตัวมากขึ้นนี่ในเมื่อเรามีพระมหันตสีมีหิริละอตัปปะได้ถึงความตายใจไปเพลิดโลกโลกตรงไหนก็มันจะตายรู้ ถ้าการทําความโลภมันเรียกว่าการสังเกตไกลเกินพอดีถ้าหากว่าหาอาหารและหาทรัพย์สินมาได้ด้วยสัมมาชีวะไม่จัดว่าเป็นความโลภต้องเอาอาการเกินพอดีสําคัญขึ้นอยากจะได้ของคนอื่นแม้จะไม่ทําใจไม่ก็อยากอยากจะครองเขาอยากจะชมเห็นเขาอยากอิจฉาหรืออยากเขา อยากทุกอย่างซึ่งเป็นได้ของความเลวอันนี้ไอ้ตัวอยากตัวนี้เราตัดงดมันได้ขึ้นได้ด้วยอํานาจพรหมวิหาร 4 และหิริโอตตัปปะละวรณานุรสติกรรมฐานเราจะสามัคคัยรู้พวกกลุ่มที่ว่าอย่าอยากได้ของเขาทําไมได้มันแล้วมันก็ตายไม่ได้มันก็ตายมีเท่านี้ก็พอกิน หากินแบบนี้มีเท่าเท่าไหร่ก็ใช้พอกินจะหากินให้มันรวยคอยควานนี้ก็หากินมีความสุจริตใจไม่ผิดท้อก็ยังเป็นชีวิตาคารหนึ่งแล้วอารมณ์อีกอันหนึ่งของพระสิกขาคามีที่มีความหมายสําคัญก็คืออภัยทานให้อภัยแก่ผู้ผิดแต่เราเองก็พยายามไม่ทําความผิดเสียเสมอ สงอารมณ์ปกติในมรณานุสติกรรมฐานเข้มขัดเคารพเป็นคนพระรัตนตรัยเข้มขัดมีวิริโยตะกะเข้มขัดมีสิงห์เข้มขัดมีพุมิหังศีแข็งเกร้าในจิตไม่ยอมให้จิตตกอยู่ภายใต้อำนาจของความเลวนึกถึงการให้ทานการบริจาคอยู่ตลอดเวลา สร้างหน้าปรารถนาจะส่งขอคนอื่นให้มีความสุขมีอุปสมานโนสติการนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์นี้จัดจิตใจรักนิพพานอย่างยิ่งเพียงเท่านี้จิตใจของบรรดาพระพุทธบริษัททั้งนี้ที่สุดแล้วสมเลิศถ้าทรงอารมณ์ได้อย่างนี้จริงๆท่านก็เป็นสติธาคารซึ่งมันเป็นของไม่อยากที่อยากเพราะเราอยากเร็ว แต่คนอยากดีสะสนด่าก็ชีวิตภาคามิไม่มีอะไรจะยากเอาละสําหรับเวลาการที่จะพูดกันหมดแล้วต่อที่นี้ไปขอบรรดาท่านทั้งหลายตั้งกายให้ตรงดํารงจิตให้มั่นกําหนดรู้ลมหายใจเข้าใจออกใช้ธรรมภาวนาด้วยความที่ไม่มีความจําเป็นรัก เพราะอีกคนตามวาจาที่กรับมะนั่นดีคว่าจึงกว่าจะได้ยินทุกยานบอกว่าเวลา